ถามว่าข้าพเจ้าฟังท่านบรรยายถึงกิเลสทั้งหลายแรกที่จะเกิดขึ้นคือความไม่รู้จักอายตนะภายใน6ภายนอกหวิญญาณหภผัสสะหเวทนาหกตามความเป็นจริงดูอวิชชาชั่งหนาแน่นมากปิดบังความจริงเส่งหมดทีเดียวเช่นนี้นี่เองจึงเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาสามขึ้นทางอายตนะหก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 ใจกับธรรมารมณ์อันใดย่อมรู้จักอันนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สังโยน์ที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดก็รู้ประการนั้นด้วยอันหนึ่งความละสังโยน์ที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดก็รู้ประการนั้นด้วยอันหนึ่ง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 จึงทรงแสดงไว้ในมหาสติปฐานเป็นสองตอน